อ่ลออหลวงค่อมหาไหลอาชีพ้าอาชีพารวมฉันเพลินแต่ว่าท่านแม่ออกเนี่ยจุม้มอยากถามข่าวถามข้าวอาจารยมร์มหาไหลกับคณะบัดปลาหนวงคู่แต่ว่าเพิ่มบัดทั้งหยดาดทั้งโยมอะไรพวกอาชิม้มาฉันเพลินเพลิ เจอได้อออไปอเจอองค์พอมหาไหลได้่อเจอไปเจอทุกอย่างยากตัวเท่าอ่าจานประเทศประเทศา เพิ่นเยอ่มองไมลาพยยามมามากราบกันได้ครับใผ้าพระสงฆ์ไปเซอร์เนีนกราบเพิ่นมาเนี่ยอาจยมชาวบ้านเท่าด้วยเป็นเป็นประเภทนี้ขาพรรษาจะดูขอพรรษาพระสงฆ์ไปหากราบพระเทหละ ถามวัดว่าล่ามต่างๆแล้อก็จะเป็นพระเทละคือพป็นิรันดรพระวันยังมากกรับเทละนับตั้งแต่สิบพรรษาขึ้นไปเป็นเรียกว่าเทล่ <c oughs> แล้อกอเนี่ยก็ได้สามสี่เทละแล้วะอละไหลายเทล่แล้ว งานทำวัดเป็นจา่ามหาไหรได้ชาวบานเาได้ฝุ่นกุศลด้วยมเมื่อนีนร้องคอเมียที่เละกระลาบได้กีบวอนไหมยางดีไม่ร่องเดือนเป็นนิสิตท่าไส่ท่อผ่าไหมอางามงามทัดเป็นกีบว่น ร้อยตอนกระถิ้นพอดีละเดียวได้การกระถิ้นเ <c oughs> นี่กระเดือนซิบแล้วเนอะเลืกเดือนซิบแต่เป็นตะเกาเตะกรอนกระบอกลูกบอกเต่าร้อนให้นำหน้าอดัอดโคอัด ขันท้ายคันหน้าให้มวันได้ปิดหนามใช้เขาแล้ดูนี่ก็หลางองด้นะหลางองเก็บหนามผลหลางปีละเทียนน่าลงว่าเยาวันมันรองรับหนามมาปียังไม่ตะก่อน <c oughs> หลางดีๆก็เริ่มเก็บหนามผล ไอ้เพิ่งเที่ยงเดือนเดือนเดียวเราดูนดด้นก็สิบวดแต่ดูนี่ก็กับตุ่นน้ำผลไว้กินแ้วดูแลกินน้ำน้องน้ำหวยเพรลยอคือเกาแต่น้ำผลก็ยังบาปลอดภัย จะหมดไม่มผิดว่าถูกอย่างอากาศก็ไม่ผิดดินก็ไม่ผิดน้ำกต่ไม่ผิดอาหารการกินก็ไม่ผิดต้องระมัดระวังกูเก่า สารตุปโภควริโภคปัจใจซีธรรมะก็ได้โดยเฉพาะก็เข้าเจ้า บ, บ้าน <c oughs> เป็นผลรับภาระหนักกว่ากว่าคน อ, อืน่น ชาวบ้านเจ้าให้เจ้าหน้าผู้บริโภคแต่ก่อนถ้าเป็นผู้พิษจะดูเจ้าหน้าเป็นผู้บริโภคเจ้าหน้าเจ้าไรเป็นผู้บริโภคเู้พิษก็ได้ถ้าเจ็บไข้ที่ป่วยอากรต้องเสียเงินเสียทอง ดังที่ปกหมอเขาก็ตกเขาไม่ขี้นิสเขาก็อยากให้งงคนป่วยเพื่อไปเขาขี้นิสเขาหมักหมาหมอเห็นคนป่วยเขาก็พิดว่าเขาจะได้เงินทางตำรวจ <c oughs> เห็นคนมีเรื่องไม่เล่าเขาไปต้องได้เงินแต่ได้ความ เมื่อมีคดีเป็นสาร <c oughs> เขาก็ต้องการแต่นั้นใรท่องโพธิ์เท้าเนี่ยแหะพธิประชาชนตาดำดำโพเข้าน่ะเป็นโูโยุยยสุดไทยโมถ้าเียข่าแพ้งขอข่าอะไรกำไรขึ้น เป็นตั้งต้นทุนเจ้าโกเข้าโกเขาก็เป็นเจ้าของูุถือเขาเอาอยังเจ้าเข้ามากมากเหมือนไม้กับตะปูกับขอนโคเขานี่เป็นไม้พอาข้าเป็นคอนเอาก็ข้าเป็นตะปู รัฐบาลเป็นคน้อนตีตะปูลงไปใชเนื้อใหม่ตีตีจับค้อนตีตะปูตะปูก็ทิ่มลงไปที่เนื้อใหม่เนื้อใหม่ก็ต้องร่องหลับความลึกความตื่นของตะปูมันก็สินค่าแล้วค่าแพงพอต้องรับผิดชอบใจใจสูงขึ้นวกลเก่า พอขาก็ปวต่องใส่ใจยังทั้งวมดร <c oughs> าคาสินค้ามันแพงภาษีแพงเขาก็เอาจากเขา้าพอพอย่อมเสียหายเอาเจ็บไข่ใจป่วยยามันแพงเขาก็จากเขา้เขาพอไม่เลื้ยงไม่เล่าเกิดขึ้นเขาก็เอาจากเขา้าพอเขา้เขาชาวบ้านตาดำๆนะ ถ้าจะปวดเราโลกอยู่ใได้พอโผล่เข้าพอขาก็อยู่ใได้พอโพล่เข้ารัฐบาลก็ยู่ใได้พอโผล่เข้าปกหมอก็อยู่ใได้พอโพล่เข้าเา้าบ้านได้ทีอาหารการกินแต่ก่อนสิบพอขามาไหวพอหน้าดือนนี่พอเมนสิบพอหน้าจะไปไหวพอ้าเข้าพิษเขา เอาเพชอ่อยเอาบริเกนอ่อยเอาบริเกนเขา่าเอาไปเอานีเอาห ม, ม่าหม่าเฮ็ดอ่อยเฮ็ดเขา่าพอถึงเดือนโมกลุล่าคุมา้มผ้าเอากันเลงนหนีหัเขาขาเนเอาขายเขา่าใสนีทอกระสเข่าก็เป็นราคาเอากันเลงให้นเอาขายเอาขายเข่าใส่หนี่ เอาก็เลยไปซื้อเขาไม่กินเขาแล้วเห็นทั้งไดิกินเอาขายเศษดิบสารพบการพิษเขาพยายามโฆษณาระบ บ, บ, บกะเกษตรแผนใหม่ <c oughs> ใช่ปุ๋ยใช่เคมี ยืมอไม้ยื่อเศิเมล็ดตั้งแต่เมล็ดพืชเข่ากอกอหนึ่งกอขอสองกอขอสามกอขอสีหาหกาเอาผิดี่ได้เล็ดพืชต่างๆพันบักอื้อบักแตงพันข้าวโพดพันบักผักบุ้งกขือ เอาผีบอะไรเอาเจ็บพันุบ่อใดเอาขวบคุ้มพันอของผือ ด, ดเอาปลักท่องเอาปลักท่องแล้วเอาเก็บพันไปปลูกไม่ไมีโอกาสได้กินน้วยปักแดงเอาเจ็บไม่ได้ปลักแดงไปปลูกก็ไม่ได้กิกกนน้วยปลูกแล้วก็เป็นพุ่มอ้ยอยอยอยบ่ย ม, มีเครือ พอเกิดดอกออกผลเกิดยู่ต้นเกิดอยู่ได้เ่ราะเาเป็นบักแตงปลูกบักพลิกก็เ่าเป็นบักพลิกปลูกบักแตงก็เ่าเป็นบักแตงปลูกบักท่องก็เ่าเป็นบักท่องถ้าเอาไปซื้อพันธุ์น้ำเขาพอ่เขาควบคุมพันธุ์แล้วต้องไปซื้อจากเขาจึงปลูกได้จริงต่อไปเล็ดบักท่องเม็ดหนึ่งสี่เม็ดแล้ว สีบาทห้าบาทเขาเม็ดนึ่งละจีเม็ดละสีบาทห้าบาทจะไปโซล่ารานเขาเขาพูนว่าบ้องขวนละบาดแค้ไินบังไม่เพี้ยนแต่ก่อนอันแล้วอัล้วแต่อไปเขาสิบ่งขวนระบาดบ่งขวนมันมีพ่อกอบเมื่อเขาจำเม็ดเขาเปลือกมันจะถือแล้วต่อไป พอพอเข้า้าใหาช้ชาวหน้าประมาทถิ่มพุ่ปัญญาของคนโบราณห้องมักงายเอาแต่เข้ามังายเขาหลงคว้วสะดวก <c oughs> เข้าติดคว้วสะดวกสบายคนจะถ่ายมันเป็นผลเสียเป็นไพ่โตโพกเข้า <c oughs> เฮ็ดนงเฮ็ดองก็พอเป็นอ้นี่เรากันกับจันตุ่ม สิเฮ็ดปลาเฮ็ดหนังปลาเสือปลามามักไปจักปีนึ่งเจอเฮ็ดปลาเฮ็ดแก้วปลาแดกขายเฮ็ดเฮ็ดปลาบองขายซ่อนละห่าบาทซ่อนละห่าบาดแต่อแม่เพี่ยนลงทุนลงกันวา เราต้องกินนางดอกข้าวกินปลาบองยาเดียวก็บพ่อเรา <c oughs> ระหว่างเห็ดเหล่าเขาเห็ดเหล่าเขาก็สีไม่ไห้ปลาไปตั้งไว้เหล่าเขาตั้งไว้ตะลางเหล่าเขาเทรบเหล่าเขาก็เป็นคกงองนอเนี่ยพอจีบเลยเนี่ยวันที่ยี่สิบหกสีไม่ชาวบ้านจากนครพนมสกล น, นคร ที่เ้าจายอมข้ามท่อผ่ายอมข้ามเ่มาบานเฮา <c oughs> <c oughs> มาผูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นเนเดอร์บานเฮาได้เส <c oughs> ีผ้าไปเห็ดผ่ายอมข้ามน้ำพันมานสีว่ามาอ้วนมาเฮอกเห็ดผ่าเห็ผูกน <c oughs> ้อตา็ว่ามีเสียงก็ว่าเป็นย มืดเทียงลยนะฮะชอบเลยแบบแพบอนเลยเย็นเป็นสุขทุกคนทุกคนเลย อ, อยากจะอนาสุภาบาละ